เจ็ดส ป, ปานกกวักเจ็ดสังวิธานศิขาบทว่าด้วยการจชกชวนเดินทางไกลร่วมกับมาตุคามเรื่องภิกูุรูปหนึ่ง412สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปกรุงสาวัตถีในแคว้นโกศลผ่านทางประตูหมู่บ้านแห่งหนึ่งหญิงคนหนึ่งทะเลาะ ก, กับสามีออกจากหมู่บ้านพบภิกษุนั้นแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญจะไปไหนภิกษุนั้นตอบว่าน้องหญิงอธตมาจะไปกรุงสาวัตถีหญิงนั้นกล่าวว่าดิฉันขอเดินทางไปกับพระคุณเจ้าด้วยภิกษุนั้นกล่าวว่าไปเถิดน้องหญิงครั้งนั้นสามีของหญิงนั้นออกจากบ้านแล้วถามพวกชาวบ้านว่าเจ้านาย พวกท่านเห็นยิงรูปร่างอย่างนี้บ้างไหมพวกชาวบ้านตอบว่านายญิงรูปร่างอย่างนั้นเดินทางไปกับบรรพชิตลาดับนั้นชายคนนั้นได้ติดตามไปจับภิกษุนั้นได้ทุบตีแล้วปล่อยไปครั้งนั้นภิกษุ น, น, นั้นนั่งบนอยู่ที่คนต้นไม้แห่งหนึ่งทีนั้นหญิงนั้นได้กล่าวกับสามีดังนี้ว่านายภิกษุนั้นไม่ได้พาดิฉันไปดิฉันเองเป็นฝ่ายไปกับภิกษุนั้น ภิกษุนั้นไม่ใช่ตัวการท่านจงไปขอขมาภิกษุนั้นครั้งนั้นชายคนนั้นได้ไปขอขมาภิกษุนั้นครั้นภิกษุนั้นไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วจึงเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตหนีประนามโทนธนาว่าฉไนภิกษุจึงชักชวนการเดินทางไกลร่วมกันกับมาตุคามเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตมณีภิกษุนั้นโดยประการต่าง แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ